นะวันนันถ้อยคําในสมัยใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอามาคิดให้เปลืองชววนาเปลืองชววนามากนี่เราก็เอามามามาคิดส่วนที่เป็นสาระเพราะว่าชาวนะจะได้ซ่องเสบบุญจะได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สักทีคิดแล้วเป็นทุกข์นะคิดมานานแล้วคิดมาตั้งแต่เกิดแต่คิดแล้วเพื่อความดับทุกข์ตรงนี้น่าสนใจทีนี้มาย้อนทบทวนที่ว่า อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจักขู่โดยอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็ตาสีจัญญญนนกขูวิญญาณผัสสะเวทนาในห้าคำใช่หมห้าคำทวารหูอีกหนะูเสียงโสตะวิญญาณผัสสะเวทนาทวานจมูกนะจมูกกลินล่นขานะวิญญาณผัสสะเวทนาทวานาิา้นลิ้นรสชิวหาวิญญาณผัสสะเวทนาทวานกายกายโพธภะกายวิญญาณผัสสะเวทนาทวานใจ มโนธรรมะมโนวิญญาณภัสสะเวทนาพันก็ห้าคำคูณหกถวันก็เป็นสามสิบสามสิบเหล่านี้คูณอ น, นิจังคู ณ, คณทุกขังคูณอนาตามันสามสิบคูณสามก็เท่ากับเก้าสิบใช่ไหมโอ้เยอะเหมือนกันนะอข้อปฏิบัติมีตั้งประตูแห่งอมะตะมีเก้าสิบประตูแล้ว เพราะยังไงที่รายละเอียดเต็มๆรายละเอียดที่เนื้อหาโดยสรุปก็ไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าขยายโดยพิสดารเลยนะอนุปัสสนาก็คือการตามเห็นจักขู่โดยไม่เที่ยงนะะทีนี้คําที่ใช้แทนคําว่าไม่เที่ยงอ่ะเมื่อวานนี่มีอะไรบ้างที่กล่าวไปบ้างแล้วถ้อยคําที่ใช้แทนคําว่าไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยง หน้าไหนในหน้าสองร้อยสามสิบหกสองร้อยสามสิบหกที่ที่กล่าวถึงว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าเอา จักระเนี่ยถ้าถ้าเราเอาจักระมาไล่นะจักระก็เป็นสิ่งที่มีที่สุดมีอายุเพียงนั้นกําหนดตัดความเกิดและความเสื่อมเป็นของพังทําลายเป็นของชั่วขณะเป็นของหวั่นไหวเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของแปรปรวนเป็นของที่ไม่มีแก่นสารเป็นของที่มีแต่ความเสื่อมเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีแต่ความตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็ก็ยกข้อความมาจาก พวกโตสี่เนี่ยนะพวกนี้ที่ใช้แทนคำว่าไม่เที่ยงแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์ที่อื่นๆเช่นพุทธพจน์ในทีฆานักสูตรเนี่ยนะก็คือไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือในปฏิสัมพิธาก็ในยะเดียวกัน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 ใครที่หมั่นย้ำอย่างนี้ไว้เสมอๆนั่นแหละก็เจริญอะไรเจริญอนิจจานุปัสสนาหรือเจริญอนิจจสัญญาตั้งมั่นไว้เสมอเนี่ยนะถ้าทั้งๆสามสิบนะแต่นี้เรายกทวารตาขึ้นมาว่าแต่ละอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทาลายเป็นที่สุดมีกาละเพียงนั้นเป็นของชั่วคราวเนี่ยนะเป็นของที่มีความตายเป็นที่สุด เมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้จนสัญญามนุษ์การมนสิการในความเป็นของไม่จีรังยั่งยืนของสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีก็ตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์ตามเห็นตาที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละว่าเป็นทุกข์ทุกอย่างไงทุกเพราะ ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะก็เอามาใส่ใจอย่างไรว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละเป็นของที่มีความมีอะไรนะี่เป็นของที่เปะไฟคือราคะเผ า, าไฟคือโทสะเผ า, าไฟคือโมหะเผ า, าตัวเข้าเองก็เป็นสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันเนี่ยนะแหมตาเชื่อไหมตาสองคู่เนี่ยเอาใจยา ก, ยาก ดูแลยากมากๆเลยนะให้เห็นบางอย่างไม่ถูกใจไม่ยอมนะต้องเห็นอีกอย่างหนะึงมันงั้นวุ่วายนะตาคู่นี้นั้นตาเนี่ยลี้ยงยากเดี๋ยวไฟคือราคะเผาบ้างเดี๋ยวไฟคือโทสะเผาบ้างเดี๋ยวไฟคือโมหะเผาบ้างถึงราคะโทสะโมหะจะเผาไปยังไงตามันก็แก่แล้วก็ตายนะถึงจะโอ๊ยบำเรอเอาเอาไฟประเภทไหนมาเผาที่สุดของตาก็คือชราและมรณะ แต่ว่ากว่าจะตาชรามรณะเดี๋ยนี้น้ำตาเออมากี่ครั้งแล้วอ่ น, นะโศกะใช่ไหมน้ําตาก็เออท่วมนั่นนะเก็บน้ําตาไว้เถอะได้กี่แก้วมากกว่า น, น้ําแก้วนี้ไหมชาติเนี่ยนะโอ้ยมากกว่าเยอะอ น, นะเก็บน้ําตาไว้เถอะนี่นนะโศกะปริเทวะเนี่ยอาศัยการเห็นนี่ยบ่นเท่าไหร่แล้วอาศัยการเห็นเนี่ยทุกไหมทุกทางตาเนี่ยนะแล้วก็อาศัยการเห็นก็ทุกใจแล้วก็ลําบากใจมากที่จะต้องเห็น โอ้เห็นแต่ละครั้งนี่มันทำไมมันเครียดขนาดนั้นนะนะถ้าไม่เห็นซะมันก็ไม่ต้องหนักใจใช่ไหมพอเห็นแล้วก็หนักใจเต็มทีอันนี้เรียกว่าอุปายาตคับแค้นใ จ, นหนใจเห็นแล้วก็หนักใจเห็นแล้วก็หนักใจอาการเห็นแล้วหนักใจนั่นแหละเรียกว่าอุปายาตแล้วถ้าตามเห็นบ่อยๆอย่างนี้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยตาเนี้ยไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วสารพัดปัญหาที่มาจากตา สารพัดปัญหาไม่ว่าปัญหาคือราค่าก็เผาโทสะก็เผาโมหะก็เผาตาเองก็ยังชาติชรา ม, มรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตมาแผลสมาเผาอยู่นั่นแหละแล้วไม่ใช่หยุดอยู่เท่านี้นะบางทีตามองเห็นความชั่วทางกายวาจาก็ทะลักออกมาอันนก็ทะลักไปหาความชั่วทางกายบ้างต้องทําปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจาร์บางทีมองเห็นปั๊บก็ทะลักมาเป็นความชั่วทางวาจา ต้องพูดเท็จพูดคําำยาพูดเพอเจอร์พู ด, cher, พด ส, อส่อเสียดบางทีการเห็นปับ๊บอภิชาโทมนัสมิจฉาทิฐิก็หลังไลเข้ามาเทมาเข้ามาอากุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เข้ามาจากทวารตานั่นแหละเป็นปัจจัยนั้นตานั้นจึงเป็นทวารที่เลวร้ายมากที่จะให้ทําบาปและอกุศลเนนะที่จะให้ทําบาปและอกุศลนั้นตามเห็นไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข ตามเห็นที่สิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วใครมีอำนาจในตาอย่างแท้จริงนะป้าเป็นสีทำหน้าเศร้าใจเลยเนะอยู่กับตาเนี่ยมออยู่กันมาตั้งนานแล้วนะฟังแล้วทำเศร้าใจเลยนะตาเนี่ยไม่ไหวเลยเนี่ยนะตาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสูตรก็ตามมาแลเธอทั้งหลายจงละตานั้นเสียตานั้นที่เธอทั้งหลายล ะ, ะไลยแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อความสุขะนีนะ่ทำไมจึงต้องละตา ก็เพราะตามไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราว่างจากตนแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนสีก็เหมือนกันสีที่เราเห็นเนี่ยสีเองก็ยังเป็นไปตามเนี่ยอันนี้จังทุกขังแล้วก็อนัตตาอย่างที่กล่าวไปจากขูเนี่ยก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นจากขูเนี่ยเป็นของว่างจากความเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตาว่างจากหญิงว่างจากชายว่างจาก บุคคลตัวตนตามันมีจริงจริงยังไงจริงในฐานะที่ไม่เที่ยงจริงในสถานะที่เป็นทุกสถานะที่เป็นจริงของตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกโดยที่ไร้ผู้มีอานาจในตาอย่างแท้จริงไม่มีใครมีอานาจในดวงตาอย่างแท้จริงไม่มีใครมีอานาจในหูจมูกเลนกายใจยอย่าง แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตาเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะราคากาาะก็เผาโทสะก็เผาโมหก็เผาตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีเป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่ตั้งแห่งโศกระปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต ขณะเดียวกันเนี่ยนะความชั่วสารพัดชนิดถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทําชั่วไหมจะทําปานาตีบาตอธินนาทานการเ ม, มสุมิจฉาจาร์จาเป็นไหมที่จะต้องพูดเท็จพูดคำํำยาพูดพเพรสเชอรพูดส่อเสียดจําเป็นไหมจะต้องโลภจําเป็นไหมต้องโกรธทําไมต้องมีมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมิจฉาทิฐิไม่เกิดหรอกเพราะวัตถุที่ทําให้มิจฉาทิฏฐิเกิดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของ ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมิจฉาทิถิไม่ไม่ไม่ได้กินแล้วเพราะมิจฉาทิถิก็เข้าใจผิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นอัตตาบ้างว่าเป็นของอัตตาบ้างว่ามีผู้สร้างบ้างมีผู้บันดาลบ้างแต่จึงจะอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเป็นทุกสิ่งเหล่านี้เป็นของมืดมนอุนการสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ไม่มีผู้ใดมีอํานาจอย่างแท้จริงพระองค์ยังบอกว่าะละเถิดนะ คำว่าละในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปไปฆ่าตัวตายนะเพื่อจะได้ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หมายคำว่าเธอจงปฏิบัติเพื่อตัดอาลัยอาวรนในตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียเถิดพัาะพระอริยาสาวกที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้นคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าผู้ปฏิบัติถูกต้องในโลกนี้ ผู้ปฏิบัติชอบในโลกนี้คือผู้ปฏิบัติเพื่อดับฉันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเรามาสอบถามเราดูนะสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันจเจริญอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าปฏิบัติถูกถ้าไม่ใช่แสดงว่าปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติผิดในโลกคือปฏิบัติเพื่อ เสริมสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเพิ่มวตะส่วนข้อปฏิบัติที่ถูกคือข้อปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปรากฏตัวที่นรกเนี่มันจะทุกข์ไหมจงว่าไม่ทุกข์ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปรากฏตัวอยู่ในเปรตทั้งหลายจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปรากฏตัวอยู่ในหมู่เดรัจฉานทั้งหลายจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีสงครามไหมไม่มีจะมีการปล้นมีการเผามีการเข็นมีการฆ่าเป็นต้นไหมไม่มีจะมีการทะเลาะเบาแวงกันไหมจะมีการส่อเสียดกันมไหมแกเลวมัดตรงนั้นดีคนนี้ดีกว่าตรงนั้นเลวตรงนั้นก็เลวเหลือทนตรงนั้นก็ทนไม่ได้เป็นต้นเนี่ยถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสารพัดปัญหาในโลกจะมีไหมผัญผู้ที่มีปัญญาระดับสูงบอกว่าถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เป็นสุข ไอความที่ต้องบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นทุกข์เนี่ยนะนะมันมันทุกข์จริงๆเลยนะทุกข์ทั้งโทสะด้วยแล้วก็ทุกข์ที่จะต้องบริหารด้วยทุกข์จะต้องดูแลด้วยเพปัญโอยเอาใจยากยากตาหูเนี่ยนะคืออะไรนะเอาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอาใจยากมากๆเลยแต่งสีกว่าจะเป็นที่พอใจก็ยากแต่งเสียงกว่าจะเป็นที่ถูกหูก็ยากแต่งกลิ่นเพื่อจะให้ถูกจมูกก็ ยากแต่งรถเพื่อจะให้ถูกลิ้นก็ายากแต่งโพตภาพเพื่อให้ถูกกายก็ายากแต่งเรื่องราวให้ใจมันเห็นด้วยก็ก็ยากมันบริหารยากยากคบยากส่องกระจกดูเหอะคนนั้นแหละครบยากจริงๆเลยนยะคุยยากพูดยากคุย้ยวัตถุอันตรายก็าปานนั้น อันตรายมากๆเลยนะเดี๋ยวอันตรายต้องไปทําชั่วทางกายวาจาใจอันตรายจะต้องถูกเข็นถูกฆ่าถูกโบยถูกตีถูกด่าถูกประหารนะโอ้ยคบยากมากๆเมื่อใดเนอจะเห็นว่ามันมหาภัยนะลืมตาปับเนี่ยการเห็นเนี่ยมหาภัยจริงๆโดยเฉพาะเห็นสิ่งที่เรารักเราพอใจเนี่ยนะคือมหาภัยอย่างแท้จริงเนี่ยถามว่าทําใจได้ไหมบอกการเห็นสิ่งที่เรารักเราพอใจที่สุดเนี่ยคือมหาภัย เพราะอะไรเพราะเราเห็นสิ่งที่เรารักเราพอใจที่สุดนะคือความยินดีที่เรายินดีกลืนยาพิษโดยโดยปราศจากอะไรนะปราศจากความระแวงปราศจากความเคลือบแคลงยินดีกลืนเบ็ดเสร็จจะยกมาเป็นถังดื่มหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าไปเจอสิ่งที่เราไม่รักไม่พอใจนะไม่เท่าไหร่หรอกนะก็ไม่ไม่ต้องไปคิดดูนะถ้าเราไม่ชอบบางประเทศเลยใช่ไหมเขาก็ตายกี่เบื่อเราก็เฉยเฉย เพราะเราไม่ชอบอะ่ะเราไม่ได้ไปรับไปได้ไปผูกพันมีอยู่สูตรหนึ่งนะบอกว่าถ้าเธอเกิดมานะสีมีสีประเภทหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องเห็นด้วยแล้วไม่ได้แค่ไม่ใช่กําลังเห็นอยู่ถามว่าเธอจะต้องมีความโลภความโกรธความหลงในสีชนิดนั้นไหม ม, มีไหมไม่มีชั้นใดก็ดีที่เราเป็นบาปเป็นอกุศลก็เนื่องจากสีเป็นที่รักเป็นที่ พอใจเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมใดเป็นที่รักที่พอใจใจของเราทั้งหลายก็พยายามโคจรไปในสิ่งที่เรารักเราพอใจเมื่อโคจรไปที่นั้นเนี่ยจะต้องไปทําอะไรก็ทํากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในสิ่งเหล่านั้นทีนี้กรรมเหล่านั้นก็โยนไปไหนโยนไปในกําเนิดสี่ภพสามวิญญาณทิติเจ็ดสตาวาสเก้าโยนเข้าไปหาชาติชราและมรณะเพ้นในขณะที่เรา เห็นอารมณ์ที่เราพอใจที่สุดนั่นแหละคือการดื่มกินยาพิษพอดื่มยาพิษเสร็จเขาก็จูงเราไปแล้วใช่ไหมไปสู่แดนประหาระนะก่อนไม่ใช่ประหารกันดีๆนะโบยก่อนโบยก่อนบางทีก็ไม่โบยทำไมเอาโบยตามเนื้อตามตัวบ้างตัดแขนตัดขาบ้างบางทีก็เอาเหลาวเนี่ยทิ่มเข้าไปที่ปอดบ้างนะคว้านเอาปอดตัดปอดเป็นชิ้นๆบางทีก็ไปบีบหัวใจถ้าจนนู้ย ลำบากบางทีก็ไปบิดลําไส้ซะจนรูดแล้วรูดอีกต้องอาเจียนว้างขับถ่ายว่างไงนะสารพัดเดี๋ยวก็รูดหัวลําไส้บ้างเดี๋ยวก็ผ่าท้องบ้างเดี๋ยวก็กรีดผ่าอกตัดกระดูกแล้วแต่มันจะทําเนี่ยนะในที่สุดก็นักโทษประหารทั้งหลายนี่นะท่านจะเอาเหลือกี่ชิ้นดีเมื่อเช้าเออมาเื่อคืนตกมากี่ชิ้นก็อย่างนั้นแหละนี่นะก็แตกกระจัดกระจายไปหมดเพราะสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แหละเพะะนันธุ์เราทั้งหลายก็ มีปกติเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นเป็นภัยเพราะฉนั้นข้อปฏิบัติในระดับสูงนั้นจึงบอกว่าทำยังไงหนอจึงจะได้เลิกปล่อยใจไปในในสิ่งที่มันน่าเพลิดเพลินสักทีหนึ่งจริงอยู่ว่าสิ่งนั้นน่าเพลิดเพลินแต่หน้าเพลิดเพลินในเบื้องต้นมีภาพจิตกรรมอยู่ภาพหนึ่งนะนะงดงามมากที่เขียนไว้ในอากาศยังงนะ เหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนสมัยใหม่เขาใายแบบฉายแบบมีภาพน่ารักกลางอากาศอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าใครเดินลงไปนั้นตกเหวตายอย่างงี้ถามว่าน่าสนใจไหมดูงามก็จริงแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ตกเหวชั้นใดก็ดีอารมณ์ที่น่าพอใจในโลกนี้นเป็นอารมณ์แห่งชาติชาราและมรณะในที่สุดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนำเราไปสู่ตะแลงแกงเหมือนกันครับ นำนำเราทั้งหลายไปสู่แดนประหารนำเราทั้งหลายไปเป็นนักโทษแห่งวัตตะทีนี้พ อ, อนักโทษแห่งวัตตะนี่ทำยังไงจะต้องไปเราทํางานรับใช้วัตตะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานาเนี่ยเช่นเป็นควายก็ต้องไปลากไถเป็นวัวก็ต้องไปลาบ ก, กวีนเป็นต้นเนี่ยนะชดใช้วัตตะเนี่ยนะเพราะเป็นนักโทษของวัตตะใช่ไหมแล้วแต่ถ้าเป็นกรรมกรจะต้องทํางานอุย้ยบอกว่าอ้างโอทเนี่ยทำมาแทบตายเนี่ยนะ แบกทั้งแบกทั้งหามทั้งอ้สารพัดไม่เชื่อทำใจมหมวยด้วย น, น, น, นะท่านลูกน้องทั้งหลายก็ am, ทมทำนี่คือนักโทษของวัดต่ทั้งหลายก็ถูกวัดต่านี่มันเล่นงานเสร็จแล้วก็อ้าวถูกประหารในที่สุดก็เป็นนักโทษประหารแต่เนื่องจากเราทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในเหตุผลของคนผ่านเราก็เลยนึกว่ามันดีแต่ถ้าเอาเหตุผลคิดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เลวร้ายมากเนี่ยนะนะ เลวไม่เลวก็ดูเถอะอะไรมั่งไม่นํามาซึ่งความเศร้าใจในภายหลังไม่มีเนี่ย น, น, นะขนาดฟังแล้วฟังทำเพื่อเห็นความเลวร้ายฟังแล้วยังเศร้าใจเลยนะโอ้ยดูหน้าปาเป็นสีเดือดไม่เศร้าขนาดนั้นก็ไม่รู้โลกนี้ <c oughs> พูดมากเดี๋ยวก็เศร้ามากเ <c oughs> มื่อขันทา่าอายตนะทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงกันเดี๋ยนะกัน การที่จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดก็ต้องหมั่นย้ําอยู่เสมอว่าจริงๆแล้ ว, ส, ลวสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์นะสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตานะต้องย้ําอยู่เสมอย้ําไว้ในใจแต่ว่าโดยทั่วๆไปเราจะลืมใช่ไหมดังนั้นสูตรในในพุทธพจน์ ท, ที่เห็นกันบ่อยมากเลยนะยหมายอ่านพระไตรปิฎกแรกๆเนี่ย น, นะ นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเราเของมารียบพลิกเลยผ่านรู้รแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วผ่านผ่านผ่านผ่านสบายมากเข้าใจหมดแล้วนะตอนหลังก็เริ่มเข้าใจขึ้นว่าไอ้ที่เข้าใจนั่นไม่เข้าใจหรอกเนนะตอนหลังก็เข้าใจว่าไอ้ที่บอกรู้ไปหมดเลยนะไม่รู้เรื่องหรอกก็พ่ายคําว่าพระองค์ย้ําอยู่เสมอว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเรา กำหนดจดจําข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะไว้นิดหนึ่งว่าข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะเนี่ยนะเห็นอะไรก็ตามคิดไว้เสมอว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยย้าไว้เสมอนะเห็นเนี่ยเราเห็นนะการเห็นเป็นของเราเราเป็นผู้เห็นหูเป็นเราการได้ยินเสียงนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเรารู้กลิ่นก็หายใจหอมลึกๆกันนะฮะเต็มปอดชุ่มใจเลยนั่นก็เรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรารับประทานอาหารอร่อย แบบอะไรนะอร่อยเหมือนอะไรก็ตามเถิดที่เราชอบใจนั่นแหละม่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราแต่งตัวเมื่อไหรรับโพธิภพในทุกทวารก็ย้ำไม่เสมอว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราความคิดใดๆมันคิดขึ้นมาก็แบกไว้เสมอนะแบกความคิดเอาไว้มากๆเรานี่ความคิดของเราเราๆรเราเร า, เราย้ำไม่เสมอย้ำไว้มากๆนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะถ้าใครคิดได้อย่างนี้นะอยู่วัตตะสบายชนิดที่เรียกว่า ไม่ต้องออกกันแล้วเนี่ยนะเขรียกว่าเฝ้าวัตตะตลอดไปเนี่ยนะเขาเรียกว่าแทบจะสมาทานได้เลยว่าไม่มีทางออกเด็ดขาดรับที่มิจฉาทิฐีในโลกเนี่ยนะก็อยู่บนพื้นฐานว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นเหล่นี้ยคือข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะส่วนวิวัตะคือพระองค์สอนว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็ย้ําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะ ตาเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหูก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้อนิจจังและอะไรน่ากลัวรู้ทุกขังอะไรน่ากลัวรู้อนัตตาและอะไรมาน่ากลัวย้ำเมื่อกี้นะบอกว่าไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อตัดปัญหาออกไปหมดเรื่องคุยกันแล้วหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้เปลี่ยนเรื่องสัทีก็มันอนิจจังอ่ะก็ได้เปลี่ยนเรื่องไงก็มันเป็นทุกเปลี่ยนเรื่องคุยซะเถอะ อนัตตาจะไปเอาอะไรกับมันก็มันเป็นอนัตตาก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างนั้นหรือเปล่าเอา้างั้นถ้าอนิจจังถูกต้องรู้อะไรน่ากลัวอืมไม่มีหลักการไหนเลยให้เปที่ต่ออทําการบ้านมาเลยเนี่ยไม่ทบทวนเลยที่ฟังไปม า, เ, าเรื่องดุคน น, นั่นนี่รู้อนิจจังอะไรน่ากลัวนะ่นนีเนี่ยเล่มเนี่ยอยู่เล่มนี้แหละ ไ, ไม่ได้อยู่เล่มไหนแล้วข้ามาไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเลยนะเนี่ย อยเล่มนี้เลยอะไรน่ากลัวเอ่ยตอบไม่ได้ไม่ผ่านนะเนี่ยมวยรู้วนิจจังเนี่ยนะอะไรน่ากลัวรู้ทุกขังอะไรน่ากลัวรู้หน้าตาอะไรน่ากลัวไหพีชขาเรียนบ่อยนี่มีอะไรน่ากลัวอืม <c oughs> ตอบแบบนี้ที่มาหนอมีที่มาหน่อยมีหลักฐานไม่ยอมใวันนี้ไม่ยอมไม่ยอมรู้อนิจจงอะไรน่ากลัวรู้ทุกขังอะไรน่ากลัวรู้อนัตตาอะไรมันน่ากลัว อะไนะฮะอะไรนะวัตตะนากลัวใช่ไหมวัตตะนากลัวคนอื่นคนอื่นมีไหมใครนาะใครใคุณ yes จําลองคุณไม่เคยขาดเลยนะเนี่ยเออถ้ามัน่ะคิดว่าไม่เที่ยงอะไรมันนากลัวอันนี้จังเนี่ยนะใส่ใจอันนี้จังอะไรมันนากรัว โอ้โยพยาตูประธานายานไปทิ้งไไหนนาะหน้าสองร้อยสิบเจ็ดสองร้อยสิบเจ็ดเปิดไปดูหน่อยเกียร์ถอยหน่อยเนาะเมื่อมนสิการว่าไม่เที่ยงอ น, นิจจงเนี่ยนะนิมิตรปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวเนี่ยนะถ้าใสา่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยนะนิมิตคือ สังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเป็นของน่ากลัวโอ๊ยมันน่ากลัวจริงๆเลยนะอดีตที่ผ่านมาก็น่ากลัวอนาคตที่จะไปถึงก็น่ากลัวปัจจุบันนี้ก็น่ากลัวถ้าใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงถูกต้องนี่จะกลัววัตตะทันทีเลยกลัวอดีตกลัวอนาคตแล้วก็กลัวปัจจุบันเพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงถ้ามณสิการโดยความเป็นทุกข์ถ้าใส่ใจว่ามันทุกข์มันทุกข์อะไรน่ากลัว วัฏฏะในภูมิสามน่ากลัวเรียกว่าประวัตะเนี่ยนะปวัตะก็คือวัฏฏะในภูมิสามทั้งการมาพบรูปปพบและอรูปประพบเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆถ้ามาณสิการว่าเป็นอนัตตาอะไรน่ากลัวนิมิตและประวัติฏะนี้น่ากลัวจริงๆถ้าอย่างนิมิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันน่ากลัวตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งอดีตก็น่ากลัวตาหูจมูกลิ้นกายใจอนาคตก็น่ากลัวตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันนี้ก็น่า น่ากลัวตามองตาคนที่เราพอใจเรากลัวไหมกลัวหรือไม่กลัวสาธุค้ากลัวใช่ไหมแต่ยังไม่ทันกลัวเกือบเกือบจะกลัวแล้วนะพรานนินมิตคืออารมณ์ที่น่าพอใจเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าใสา่ใจว่าไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยจะกลัวกลัวตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน ถ้ามานุิการว่าเป็นทุกข์จะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหลไปในภพต่างๆภูมิต่างๆนี้น่ากลัวมากๆเลยนะกลัวแล้วจนต้องไปเห็นต้องไปได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะน่ากลัวถ้าใส่ใจว่าเป็นอนัตตาเนี่ยจะน่ากลัวทั้งนิมิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหลไปในวัตถะที่ไหลไปในการมาพบรูปประพบและอารมประพบนี้น่ากลัวจริงๆอย่างนะี วันในหน้าสองร้อยสี่สิบสองกล่าวถึงอะไรเมื่อมนสิการว่าไม่เที่ยงยานย่อมพิจารณานิมิตถ้ามนัสิการว่าเป็นทุกยานย่อมพิจารณาประวัติ์เมื่อมนสิการว่าเป็นอนัตตาจะพิจารณาทั้งนิมิตและประวัติะตรงกันข้ามถ้าใส่ใจไม่เที่ยงเท่าไร ย, ยิ่งย้ำเข้าไปพิจารณาไม่ใช่ตัดปัญหาถ้าใส่ใจว่าเป็นทุกยิ่งน้อมเข้าไป พิจารณาถ้าใส่ใจว่าเป็นอนัตตายิ่งเข้าไปไข้ค ร, นนร ค, รครวนอันเนี้การไข้ครวนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อะไรอัน่ะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่การออกเพื่อประโยชน์แก่การออกที่เรียกว่าวิโมกวิโมกเพื่อประโยชน์แก่การออกไหมกลับมาหน้าเดิมที่จะเรียนต่อกันดีกว่าหน้าไหนเรียนถึงหน้าไหนแล้ว สองห้าสิบเจ็ดใช่มข้อเจ็ดร้อยหกสิบแปดที่บอกว่าสังขารุเปกขายานนี้เพราะเป็นไปด้วยสา ม, มารถอนุปัสนาสามอย่างจึงชื่อว่าเป็นวิโมกมุกสามอย่างเพราะถ้าเจริญอนุปัสนา3ามก็จะทําให้ได้วิโมกคือการออกเนี่ยสามอย่างด้วยกันประตูแห่งการหลุดพ้นเนี่ยสามประตูด้วยกั น, แ ล, น, น, กนและขณะเดียวกันนี้ก็เป็นการเสริมอินทรีย์อีกสามอย่างถ้าใส่ใจโดยอันนี้ จ, จรงิจร ง, ร ง, รงก็เสริมสัตเสริมสัตทินรียใช่ไหม ถ้าใส่ใจว่าทุกขังก็เสริมสมาธิสีใส่ใจว่าอนัตตาก็เสริมปัญญสีเดี๋ยวจะค่อยๆกล่าวต่อไปท่านยกข้อความอันนี้มาจากปฏิสัมพิธามมรกว่าก็วิโมกมุกสามอย่างมกุกขะก็คือประตู ม, มกวิโมกก็คือความหลุดพ้นประตูแห่งความหลุดพ้นเนี่ยสามอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อนาสัตว์ออกจากโลกนะ ถ้าจะออกจากโลกนี่ถ้ายังเห็นว่าโลกสุกสุกสุก ส, ส, สบายจะออกไหมไม่ออกถ้าบอกเที่ยงยั่งยืนออกไหมไม่ออกถ้าใสา่ใจอุ้ยเราดูแลได้เรามีอำนาจเราเป็นผู้จัดการใหญ่ในที่นั้นสั่งได้ทุกอย่างหมดเลยเราจะออกไหมไม่ออกนะเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่วิโมกอันนั้นไม่ใช่ทางออกเลยแต่ประตูเข้าแต่ถ้าเป็นประตูออกก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นไปเพื่อการ นำออกจากโลกย่อมเป็นไปพร้อมภาวะที่ทำให้จิตเนี่ยเล่นไปในอนิมิตธาตุด้วยการเห็นเนืองๆซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยการตัดตอนและโดยรอบด้านอนิมิตธาตุเนี่ยหมายถว่าจะเห็นพระนิพพานได้เนี่ยจะต้องเห็นว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเห็นโดยการตัดตอนโดยรอบด้านอันนะ เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะมามาดูหัวข้อสำคัญไว้ก่อนวิโมกมุกที่หนึ่งคือย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อ่ย่อมเป็นไปพร้อมโดยภาวะที่ทำจิตให้เล่นไปในอนิมิตตธาตุด้วยการเห็นเนืองๆซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยการตัดตอนและโดยรอบด้าน อันนี้ในที่หนึ่งนะอันนี้จังละสองเขียนขึ้นมายอม่อมเป็นไปพร้อมโดยภาวะที่ทำจิตให้แล่นไปในอปปนิหิตธาตุโดยการทำจิตให้อาฐานคือสังเวศในสังขารทั้งหลายทั้งปวงสามย่อมเป็นไปพร้อมโดยภาวะที่ทำจิตให้แล่นไปในสุญตธาตุด้วยการเห็นเนืองเนืองซึ่งทำทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นฝ่ายอืน่นวิโมกมุกสามอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อ น, นาสัตว์ออกจากโลก อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่นำออกจากโลกเป็นข้อปฏิบัติที่นำออกจากวัตะเนี่ยนะก็ปกติพื้นฐานเราไม่คิดเลยนะว่าเอ๊ะการตามเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันทำให้ออกจากวัตะได้ยังไงเนี่ยนะตรงนี้ท่านอธิบายเหตุผลว่าการใส่ใจว่าอนิจจังทุกขังอนัตตนั้นเนี่ยเป็นการใส่ใจเพื่อออกจากโลกเพื่อนาออกจากพบ อธิบายพิเศษเพิ่มเติมว่าคำว่าปริเชทะปริวัตุวัตุมะตมโตเนี่ยได้แก่การตัดตอนและโดยรอบด้านด้วยอำนาจแห่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมตัดตอนโดยรอบด้านเนี่ยนะไอ้เรียกว่าตัดต่อโดยรอบด้านอะ่ะเป็นยังไงก็คือมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทำลายเป็นที่สุดเนี่ยนะ พูดแปลโดยเนื้อหาสาระรวมๆก็คือตัดต่อโดยรอบด้านตัดต่อโดยรอบด้านเช่นความเกิดก็มีเกิดเป็นเบื้องต้นตายเป็นที่สุดเนี่ยนะลักษณะเนี้ยจริงอยู่อนิจจานุปัสนาญาญย่อมกําหนดตัดตอนว่าสังขารทั้งหลายมิได้มีอยู่มาเอ่อมิได้มีอยู่มาแต่ก่อนแต่ความเกิดก็พูดง่ายๆว่าก่อนหน้าเนี้ยมีเราอยู่ไหมสมมติว่าเรามีอายุกันกี่ปีเรามอายุห้าสิบปีนะ เมื่อห้าสิบเอ็ดปีก่อนโน้นมีเราอยู่ไหมไม่มีจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเพราะไม่ได้มีใครเกิดก่อนอยู่หน้านั้นอะ่ะไม่มีหังนี้แล้วก็สแสวงหาคติการไปแห่งสังขารเหล่านั้นอยู่<ๆ>ก็เห็นเนืองๆโดยรอบด้านว่าสังขารทั้งหลายย่อมไม่เป็นไปเกินเลยแต่ความดับไปย่อมหมดไปในความดับนั่นเทียว<ๆ>ก็คือหยุดแค่ตายใช่ไหมตายแล้วมีใครไปต่ออีกไหมตัวตัวขันธาอาุจจตนาตัวนี้จะไปต่ออีกไหมอันนี้เขาเรียกว่าพูดโดยโดย วโยโดยโดยอาฐานะนิเคปะนะพูดถึงการเกิดจนตายใช่ไหมถ้าย่อยลงมาอีกบีบมาอีกทุกๆ5ปีทุกๆ10ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีทุกๆหลายๆเดือนหรือทุกๆวันทุกๆยกย่างเหยียดย้ายหย่อนยานหรือย่อลงมาอีกเหลือทุกๆสมุทฐานเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นะจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปถ้าละเอียดลงมาอีกก็เหลือแค่อุปาทิฏิและ ทางค่ะเท่านั้นเองพันจากเบื้องต้นไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปอย่างเสียงนี่เขามามีมีพูดมีคําสร้างคํารอมไหมไม่รอจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปนี่เสียงเป็นอย่างนี้สีก็เป็นอย่างนี้กลิ่นรสโพธาพุทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้สมมติถเราวางสีหน้าสีหน้ามีวางสีหน้าเอาไว้ก่อนหน้านั้นไหมไม่มีจากไม่มีแล้วสีหน้าชนิดนั้นมีขึ้นแล้วสีหน้าแบบนั้นเป็นตลอดไปไหม